หลายองค์ในวาระต่างๆกันครูบาอาจารย์บางท่านมีพันามากกว่าบางท่านก็น้อยกว่าบางท่านเป็นลูกศิษย์บางท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์ของหลวงตาสมัยเรียนปริยัตหรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจา้า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 Thank you.